เราเข้ามาสู่ช่วงเคสดีวันนี้เป็นเคส๔อืม เจษฎีชื่อตุ๊กแกกับแอร์โฮสเตสลูกเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่เคยมาวัดตั้งแต่แปดขวบจะ ต, ต้องมามีชีวิตที่เกี่ยวพันกับสิ่งลี้ลับตลอดเวลาจะทำให้ลูกข้องใจมากในหลายเรื่องถึงหากล่าไกลฟังเขาก็ คงข้องใจไม่แพ้ลูกค่ะดังนั้นลูกจิงยังเป็นต้องส่งมาทั้งค้องนี่แหละมายังผู้ติดสามารถขายข้อข้องใจได้ไดีดีสุดคือครูไม่ใหญ่มันต้องชมกันก่อนลูกขอเริ่มเรื่องเลยนะคะเรื่องมายู่ว่าในช่วงที่แม่งลูกอายุราวสาสิบกปีแตงได้เดินทางไปส่งคนงานที่อารญญประเทศกล้าาไปถึงบ้านคนงาน ก็ได้เห็นหญิงคนหนึ่งถูกจับนอนล้อมด้วยสายสินและวตนดนั้นเองหญิงที่นอนอยู่นั้นก็รีบลุกพรวดขึ้นนั่งจ้องคำเมงมายังแม่ทำให้แม่ตกใจสะดุ้งเฮือกจากนั้นแม่ก็เงียบซึมอย่างผิดปกติ ถามอะไรก็ไม่พูดไม่ตอบสักอย่างไม่ว่จาจะคาดขันอย่างไรก็ไม่พูดจนทั้งขับรถกลับมาถึงกรุงเทพแม่ก็เริ่มออการแปลกกว่าเดิมหนักขึ้นอีกคือแลบลิน้นแลบลิน้นปลิ้นตามองของขวางถลึงตาโตมีน้ำเสียงที่แหบ ก, กร้าวดุดันเวลาลูกเรียกแม่ ก็จะมีเสียงตอบกลับมาอย่างไม่พอใจว่าเรียกขโมอะไรไม่ใช่แม่บางครั้งแม่ระวาดแต่จะิดกควบคุมไม่ได้ต้องให้คนช่วยกระลุมจับเพราะแม่มีพละกกำลังอย่างมหาศาลเราจะกินอะไรก็กักขระมุมมาเหมือนไม่ใช่ผู้ไม่ใช่ผู้ใจคน แม่เป็นอย่างนี้นานถึงครึ่งเดือนจนลูกต้องไปนิมนต์พร ะ, ะที่เก่งอาคมมาช่วยท่านก็นมานะพอมาถึงท่านก็ซักถามแม่จนรู้ความว่าอาผีมาเข้าอ่าผีก็บอกว่าชื่อ ยายห้อยรากอะไรถามต่อมาเข้าร่างแม่ทำไมเพราะพระก็อยากรู้อยากรู้ว่ามาเข้าทำไมเนี่ยผีตอบว่าก็เห็นว่าเป็นคนสวยดีอผีชมก่อนเห็นว่าเป็นคนสวยดีจึง อยากอาศัยร่างเพื่อเข้ามาเที่ยวกรุงเทพเพราะเขาบอกว่ากรุงเทพนั้นน่าเที่ยวมากเลยอยากมาผียาาห้อยบอกอย่างนั้นไอ้เพลงนี้ขายออกได้ไงรออยู่แค่เขาทวนทวนตั้งไงจำจากนั้นท่านก็ไม่รอช้าพระก็จัดการทำพิธีใช้อาคมไล่ผีออก ช่วงทำพิธีนี่เองผียอมออกไหมใช่ไม่ยอมยอมแจ่แพ้พระจะ <laughs> พระเข้าผีออกออ <laughs> แม่ก็สลบวูบลงไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมากลับเป็นแม่คนเดิมลู ก, กใจชื้นคิดว่าแม่ได้หายเป็นปกติแล้วแต่ทีนี้ ไ, ได้อีกหนึ่งเดือนต่อมาในวันพระแทๆ้ๆอยู่แม่ก็มีอาการเสื่อะอึกทีที จะลูกตกใจคือเสีอึกชนิดที่แทบขาดใจเสียให้ได้อีกทั้งยังเจ็บปวดตามตัวทรมานทุรนทุรายมากมีอาการเหมือนโดนของลูกจึงไปห า, ป า, าตอนนี้หมดนาทีพระแล้วปลไปหาหมอผีหมอผีจึงเอาอุปกรณ์มีดหมอที่มีคมนาบลงบนตัวแม่แม่กระสดาการกลัวสุดขีด กลัวถึงกับตัวงอม้วนสั่นเลยอย่างที่คนปกติมมวนอย่างนี้ไม่ได้แต่สุดท้ายไม่ว่าหมอผีจะเศษคาถาบทไหนก็ไม่สามารถเอาของออกจากร่างแม่ได้ค่ะทาให้ลู้ต้องพาแม่ไปหาอีกหลายหมอแต่อันนี้จะไม่มีหมอไหนช่วยแม่ได้เลยแปลกไปกว่านั้นอีกแม่จะมีอาการสึกรุนแรงแบบนี้ เฉพาะวันพระตอนกลางคืนเท่านั้น oh. อมมันกลางคืนวันพรุ่งนี้วันพระนเลย oh. พอแม่เซิรผ่านไปได้สามวันพระอยู่ๆก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นอีกแม่สะดุ้งแล้วสะลบมีอาการเหมือนโดนผีเข้าอีกแล้วกันแต่กลางนี้ร่างที่มาเข้าแม่เขาบอกเขามาดีเขาบอกว่าเขาชื่อยายเปลี่ยนจากยายห้ย <laughs> ยายทรงเปลี่ยนแล้วยังบอกต่ออีกว่าชาติที่แล้วเขาเป็นแม่ของแม่ แล้วก็เล่าเรื่องในอดีตชาติของพ่อกับแม่ลูกให้ฟังว่าก่อนที่พ่อแม่ลูกจะมาเป็นคู่กันในชาตินี้ทั้งสองอยู่บนสวรรค์พ่อมีหน้าที่รับใช้เทวดาและก็ได้รับใช้แม่ด้วย<อ>แต่แม่เป็นคนหยุดจิตมโหร้าเจึงพูดจาดูถูกพ่ อ, อยางหนักทำให้พ่อโกรธแค้นถึงก็อธิษฐานว่าชาติหน้าจะตามมาเอาคืน โดยก่อนเกิดมาเป็นคู่กับแม่เขาจะดิสทานนะซึ่งก็ น, น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะเพราะพองลูกชาตินี้ทําไม่ดีกับแม่เลยคือผลานสมบัติแม่จนหมดแล้วก็จะชู้มากแถมไม่เลี้ยงดูแม่ทําให้แม่ต้องชอก ช, ช้ำเสียใจยเป็นอย่างมากแม่ถึงกับแค้นแค้นมากเลยแต่ยายทรงเปรียญยับอกตอยว่ายายได้เป็นห่วงแม่จึงตามมาดูแลแม่ และกระทนิลแม่ทรมานเพราะโดนของอย่างนี้ไม่ได้จึงต้องมาเข้ า, าร่างแม่เพราะมาเขา้าร่างแม่แล้วแม่จะหลับทําให้ไม่รู้สึกทรมานร่างกายแต่ทุกวันพระใหญ่ขึ้นสิบห้าขั้นยายทรงปรีจะไม่มาเข้ า, าร่างให้เฉพาะวันพระใหญ่ล่ะจ้าเพราะต้องไปประชุมแต่จะทรงบริวารที่ชื่อยายมาลาย oh. <laughs> มาเขา้าร่างแม่แทนแต่ยายมาลยายจะเป็นคนอารมณ์ร้อนเอาเรื่อง แ้าก็รู้ว่าใครจะมาทําให้ครอบครัวลูกเดือดร้อนยายมาลายจะไปทําให้เขามีอันเป็นไปทันทีในช่วงนั้น <c oughs> ครอบครัวลูกจงเหมือนมีผีเป็นบอดีกาคอยคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาเมื่อจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นร่างยายทรงเปลี่ยนหรือยายมาลายจะเข้าออร่างแม่มาคอยบอกครอบครัวของเราให้รู้ล่วงหน้าก่อนเสมอ oh. อืมยายทรงเปลี่ยนและยายมาลัยปลัดกันมาเข้าออร่างแม่ทุกวันพระ อย่างนี้นานเป็นปีจกนกระทั่งคืนหนึ่งแม่ได้ฝันว่ามีพระทวดองฝันนะจ๊ะแม่ได้ฝันว่ามีพระทวดงเอายาลูกกลอนรู้จักยาลูกกลอนไหมจ๊ะยาเม็ดเทกะปั้นนะจ๊ะมาให้กินแล้ะในฝันแม่ก็อ็อกออกมาเป็นสีดําแต่ที่ทำให้แม่ตังตกใจลึงคือเมื่อแม่ตื่นขึ้นมาแล้วพบอ็อกสีดําอยู่ข้างเตียงจริงๆฝันว่ามีพระทวดงให้ยาลูกกลอน แล้วก็กินในฝันแล้วก็ออกออกมาเป็นสีดํำแต่เตยก็มาเห็นออกสีดําอยู่ข้างเตียงจริงๆเป็นไงล่ะจะเห็นอย่างนี้รู้สึกไงจ๊ะและนับจากวันนั้นแม่ก็ได้หายาจากอาการสื่อมเป็นไปเรทิ้งมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะทํามกายทรงเปลี่ยนและยายมาลายไม่ค่อยมาเข้าออร่างแม่อีกเหมือนเคยแต่เขาก็ไม่ทิ้งเราไปเสีทีเดียว เพราะหาครอบครัวลูกมีเรื่องเดือดร้อนเขาก็จะมาเข้าร่างแม่เพื่อมาบอกวันนี้แม่ลูกได้เข้ามาในเส้นทางการสร้างบารมีแล้วค่ะแล้วก็ช่วยรับบุญช่วยงานอยู่ที่วัดสาขาที่อาซูซา่าเราต้องไช่วยงานน้องชายที่ประเทศอเมริกาแต่แม่มีแต่ความไม่สบายใจเกี่ยกับน้องชายตลอดเวลาเพราะน้องชายไม่จะทําให้แม่ต้องทุกข์ใจอยู่เป็นประจําคนตางลูกทจะเป็นผู้โชคดีได้รับโชคสองชั้นค่ะ โชคชั้นรกคือท่านมีโอกาสได้ไปทําบุญที่วัดปากน้ําเป็นประจำในแต่สมัยที่เป็นเดคุณหลวงปู่วัดปักน้ำท่านยังมีชีวิตอยู่ส่วนโชคชั้นที่2คือท่านได้มีโอกาสมาทำบุญที่วัดพระธรรมกายด้วยตั้งแต่สมัยขุดดินก้อนแรกและได้ทําบุญสร้างโบสถ์วัดพ ร, ระธรรมกายจำนวนหนึ่งเอสฟังๆดูเหมือนคนตายลูกจะเป็นคนมีบุญมากแต่ได้ทางกลับกันทา่านกะทําบาปไปด้วยเหมือนกันแต่เฉพาะในช่วงที่ตัวลูกเกิดมาลูกเป็นโปลิโอ ขาลีบเดินไม่ได้ผมร่วงและก็ทายหนักตลอดเวลาคือป่วยมากจนเกือบเอาชีวิตไม่ครอดอ oh. หาทางรักษาอย่างไรก็ไม่หาย <Yeah. S 1> จนกระทั่งอยู่ๆวันหนึ่งคืนหนึ่งคุณตา <Yeah. S 1> ได้ฝันว่ามีคนมาบอกสูตรยา <Yeah. S 1> ในการรักษาลูกให้หายคือให้จับทุกแก yeah. จับตอกตอเนี่ยโดยต้องต้องตีให้มันตกลงกับพื้น <c oughs> ถึงจะจับได้แต่การตีแรงๆแบบนี้ก็ทำให้หลังมันหักด้วยจากนั้นก็นํามันมาขังไม่ให้มันกินอะไรเลยโดยการปล่อยมันถ่ายออกให้หมดจนครบเจ็ดวัน <c oughs> เพื่อตัวทุกแกจะได้สะอาด จะนึนกเอาไมา้จิ้มลูกในตาทุกแก่ให้บอดแล้วคลักลูกในตามันออกแล้วนําตัวมันมาขัด <c oughs> นี่อย่าไปเอาอย่างนั้นนะขัดด้วยสก๊ อ, ไกอตไบร์แล้วก็ามาย่างไฟแล้วดองเป็นยาเอาไมา้ลูกกินยังต่เกิดจนครบเจ็ดขวบถามว่าเธอกินทุกแกไปกี่ตัว อครูไม่แย่กไป่าบเหมือนกันก็ทําให้ตอนเด็กๆในลูกก็เลยกลัวตุกแก่มากๆครับหนูกลัวตุกแก่มากปรากฏว่าลูกกินเข้าไปเนี่ยแล้วหายแต่นี้ห้ามเอาไปเป็นยานั่นเฉพาะเธอแต่นั่นนะจ๊ะคนอื่นนักเรียนรัฐบาลฝันที่ฝันวิทยาไม่ต้องไปทําอย่างนี้นะจ๊ะปรากฏว่าลูกหายแล้วสามารถเดินนัดปกติมาจนถึงปัจจุบัน แถมขายังสวยด้วยสวยในระดับสามารถทรอาชีพแอร์โฮสเตสได้อีกด้วยค่ะ oh. ไม่ต้องไปทำอย่างนี้นะ oh. แล้วด้วยเหตุแห่งอาจีนกรรมที่ทำให้ตุ๊กแกตายหลายร้อยตัวตลอด7จดปีนี้เองทำให้วาระสุดท้ายคุณตาล้มในห้องน้ำกระดูกหลังหัก oh. อย่าลืมนะไม่ตีตุ๊กแกกระดูกหลังหักเป็นต้อกระจกปรามมึด จิ้มลูกไปตายไหมจ๊ะมองไม่เห็นเหมือนตุ๊กแก่แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดค่ะ<อ>นี่น้องชายเป็นลูกพี่ลูกน้องของลูกอายุได้เพียงสิบเกปีกิประสบบัติเหตุรถความตกคลองพระว่หลับในซึ่งปัจจุบันตั้งน้องเป็นเจ้าชานิทราช่วยแล้วตัวเองไม่ได้เลยลูกจึงได้ชวนแม่ขเขาให้ทําบุญสร้างพระประจำตัวให้หนึ่งองค์พระแสนปลื้มอีกหนึ่งกองทําบุญสุขภิมาลซึ่งตัวเองก็ช่วยเขาออกเงินให้ด้วยค่ะ ขณะนี้หมอไม่รับรักษาแล้วทําให้คนในครอบครัวทุกใจกันมากและยังหาทางออกกันไม่ได้ค่ะลูกช้างลูกตอนเกิดมาได้เจ็ดวันก็มีดวงกลมลักษณะเหมือนดวงอาทิตย์เที่ยงวันลอยสว่างอยู่หน้าบ้านตอนเกิดนะจ๊ะจะมีเหมือนดวงอาทิตย์เที่ยงวันลอยอยู่พอลูกกําลังจะไปเรียกแม่มาดูดวงนั้นก็แวบหายไปมันเคลื่อนแวบหายไป ต่อมาอีกสองสามวันลูกก็ดียินเสียงโหยหวนร้องดังเหมือนเปรตอีกค่ะโหยหวนเหมือนเปรตแปลกนะมีทั้งดวงมีทั้งเสียงโหยหวนปัจจุบันลูกชายคนนี้อายุสี่ขวบเลี้ยงง่ายมาก ร, รักบุญมากชอบมาวัดตั้งแต่เด็กและเหมือนลูกกับสามีแต่งงานกันเพื่อจะมีลูกคนนี้เท่านั้นเพราะเมื่อลูกแต่งท้อลูกชายคนนี้แล้ว หลังจากนั้นมาลู ก, กสามีก็อยู่ด้วยกันแบบเวื่อนมาตลอดกระทั่งบัดนี้เนี่ยแล้วเราทั้งหมดก็ได้พากันเข้าวัดมาสร้างบารมีทั้งครอบครัวนี<า>่คำถามบุพกรรมใดทำให้แม่ของลูกโดนผีที่ชื่อใหญ่ห้อยมาเข้าคะและบุพกรรมใดที่ทำให้แม่ต้องสะอึบทุกวันพระเป็นพระโดนของหรือไม่ ถ้าใช่เป็นของใครคะและเขามีจุดประสงค์อะไรคะช่วยกันจำคำถามด้วยนะจ๊ะยายทรงปรเปลี่ยนกับยายมาลัยเป็นใครคะทำไมต้องมาเข้าร่างคุณแม่ทำไมยายทรงปรเปลี่ยนต้องไปประชุมทุกวันพระใหญ่การที่ยายมาลัยไปทําให้คนที่มาทําไม่ดีกับครอบครัวลูกมีอันเป็นไปยายมาลัยจะบาปใหม่คะและยายมาลัยใช้ฤทธิ์อย่างไรถึงทําได้ แล้วครอบครองลูกจะมีส่วนบาปไหมคะพ่อกับแม่ลูกชาติแล้วอยู่บนสวรรค์จริงตามที่ยายทรงเปลี่ยนเล่าหรือไม่คะหากจริงต้องแก้ไขาการผูกเวงของพ่อและแม่อย่างไรคะทาไมคุณแม่หายจากอาการสือึกโดยการกินยาลูกกลอนแล้วอ็อกในฝันจะทําไมอ็อกนั้นจึออองอบกกรกับพื้นข้างเตียงจริงๆเมื่อตื่นขึ้นมาคะ พระเถดงที่มาช่วยคุณแม่ในฝันคือใครด้วยเหตุผลอะไรท่านถึงมาช่วยแม่คะเราช่วยกันตอบในใจนึก น, กนกในใจไปเรือแม่และน้องชายมีบุพกรรร่วมกันมาอย่างไรทาไมแม่ถึงต้องรักและทุกข์ใจเพราะน้องชายและจะต้องแก้ไขอย่างไรคะบุพบกรรมใดที่เป็นเหตุให้คุณตาต้องมาสร้างกรรมใหม่โดยการฆ่าทุกแกเพื่อ น, นามาทำยารักษาตัวลูกคะ พุทธิมาเข้าฝันกุนตาเพื่อบอกสูตรยาสุกแก่เป็นใครคะกุณตาจะได้บุญบาปและรับวิบากกรรมอย่างไรคะบุญใดทําให้กุนตาได้สร้างบุญใหญ่กับหลวงปู่และหลวงพ่อท่านได้สร้างบุญกมูคณะมาในรูปแบบใดคะท่านตายแล้วไปไหนเป็นอย่างไรได้รับบุญเที่อาทิหรือมีอะไรอยากฝากบอกไหม่คะ โปรกรมใดทําให้ลูกเป็นโปริโอผมร่วงและถ่ายไม่จุดตั้งแต่เกิดคะและโปรแกรรมใดลูกต้องมากินยาที่ทําด้วยทุกตุกแก่หากลูกไปกินยาที่ทําด้วยทุกแกลูกจะหายไหมคะเออแล้วบุญใดที่ทําให้ลูกหายคะอืมกรรมกูไม่ใหญ่เจอแต่คําถามนี่ น, นื้ยนแย่เลยโปรกรรมนี้ทําให้น้องชายลูกพี่ลูกน้องประสบอุบัติเหตุเป็นเจ้าชานิทฐาคะชาตินี้ก็จะมีโอกาสหายไหมคะ บุญจาการสร้างพระได้ช่วยเขาอย่างไรบ้างแล้วต้องแก้ไขอย่างไรคะโดงสว่านที่เกิดหน้าบ้านหลังจากลูกชายเกิดคืออะไรอืมดูมาเป็นครูผู้ใหญ่เจอแต่คําถามนั่นทําไมต้องมาปรากฏให้ลูกเห็นอืมลองช่วยกันสัทนิฐานนะจ๊ะแล้วเสียงที่ร้องโหยหวนเป็นเสียง อ, อะไรแล้วร้องทําไมไม่ไม แลลูกชายลูกเดร้าบรมีกมูคณะมาอย่างไรมีบุญบวชตลอดชีวิตหรือไม่บุญใดทำให้เขาได้เข้าวัดตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นเด็กฉลาดมากค่ะทำไมลูกและสามีถึงได้อยู่กันแบบเพื่อนคะชาติหน้าลูกจะได้เป็นผู้ชายไหมคะมลูกสามีแม่พ่อและน้องชายเดร้าบรมีกมูคณะมาหรือไม่มีหน้าที่อะไรเคยกระถึงวัตสรรมกายหรือไม่คะ อาจารย์บทสายงานลรัอลูไม่เกี่ยวอดอธิษชาตินเป็นใครทําไมถึงคุ้นเคยกับลูกท่านได้สร้างบริวารมีกขนะมาในรูปแบบใดมีหน้าที่อะไรธรรมชาตินี้ท่านมีหน้าที่ <c oughs> เฝ้าโรงไฟฟ้า <c oughs> <c oughs> ทํางานด้านระบบไฟคุ้นเคยกับถึงวัต ร, รุมงคลไหมแล้วได้ลงมากี่รอบคะ จำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะหลับตาฝันเป็นตูมเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากราันจาจคุณแม่โดนผีใหญ่ห้อยมาเข้าเพราะกำเนดิด แม่ชอบนับถือเจ้าทรงและเป็นร่างทรงด้วยจึงทำให้มีเชื้อนี้ติดตัวมาดึงดูดผีที่นับถือแบบเดียวกันนี้ในสายวิทยาธรมาสิงร่างได้จ้าคุณแม่ทั้งเสออึบทุกวันพระเพราะแม่โดนของของพวกผีหรือภู ม, มิเทวาสายวิทยาธร ที่เข้ามาชุมนุมกันทุกวันพระแล้วก็ปล่อยของนี้ออกมาใครมีเชื้อแบบนี้ก็จะโดนของพวกนี้แม่มีเชื้อนี้จึงทำให้โดนของนี้แล้วเกิดอาการสะ อ, อึกดังกล่าวจ้ายายทรงเปลี่ยนกับยายมาลลยเือดีเพื่อนของแม่สมัยที่แม่เป็นภุมมะเทวาสายวิทยาธรที่นับถือเจ้าทรงวิสิงตอนที่เป็นมนุษย์มาเข้าร่างทรง คือพเป็นพุทธเทวาสายวิญญาณเพราะตอนเป็นมนุษย์ชอบเรื่องสิงสิงเรื่อ ง, งทรงอย่างนี้ยและก็มาเป็นพุทธเจ้าเหมือนกันทีนี้แม่นี่มาเกิดก่อนยายทรงเปลี่ยน ย, ยังอะไรยังไม่เกิดเป็นพุทธเจ้าสาวิญญาณมันมีเชื้อเหมืันก็นกนเลยเข้ากันมาอย่างนี้ไงยายทรงเปลี่ยนทําไปไประชุมทุกวันพระเพราะเป็นประเบียบประเพณีของเขา ที่จะประชุมชี้แจงกับหัวหน้าใหญ่หรือชุมนุมไรเวทร่วมกันจ้ะก็จะมีการประชุมอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเราสวดมนต์แต่ก็าจะไรเวเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของวิชาเขาไว้การที่ยายมาลัยไปายามให้คนที่มาทำไม่ดีกับครอบครัวลูกมีอันเป็นไปยายมาลัยก็จะได้รับวิบากกรรมคือผู้ที่ถูกกระทำนั้นก็จะผูกเวรจะ เวลาเจอกันไม่ว่าจะเกิดไปเป็นมนุษย์หรือว่าไปเป็นกาลเยียดแล้วเจอกันก็จะต้องมีเรื่องทะเลาะกันยายมาลายร่เวทตามหลักวิชาของเขาซึ่งจะทำได้เฉพาะผู้มีวิบากกรรมทางนี้เท่านั้นไม่ใช่ว่ายายมาลายเนยจะทำได้กับทุกๆุกคนในโลกไม่ใช่ค่ะจ้ ะ, จะได้เฉพาะผู้ที่มีวิบากกรรมทางนี้มันถึงจะดึงดูดเข้าหากันได้ ครอบครัวลกูกจะมีความยินดีกับความวิบัติของคนที่ถูกกระทำก็จะมีส่วนแห่งบาปนี้ด้วยจ้ะถ้าเกิดเออดีแล้วโดนสมัง่งหรืออะไรอย่างงี้ยแปลว่าเราอนโมธนาบาปหรือพลอยยินดีก็จะมีเชื้อแห่งบาปนี้ด้วยก็จะโดนอย่างนี้บางพ่อกับแม่ลูกชาติแล้วพ่อก่อนมาเกิดได้เป็นบริวารของภูมิธิวาสายวิทยาธรเช่นเดียวกับแม่แต่แม่มีศักดิ์สูงกว่า ที่ทั้งพ่อแม่มาจากตรงนี้เพราะตอนเป็นมนุษย์ได้นับถือผีทรงเจ้าสิงห์มาด้วยกันแต่ว่าแม่มีบุญมากกว่า น, น่อยแม่ก็มีศักดิ์สูงกว่าพ่อมีบุญน้อยหน่อยก็เลยไปเป็นบริวารของภูมิมาเทวาที่แม่มีศักดิ์สูงกว่าพ่อเพราะแม่เป็นภรรยาของหุ่หน้าภูมิมาเทวะสาวิยธรเขตนั้นจะ้ะเน่พอตอนเป็นมนุษย์พอทําบุญมากกว่าเนี่ยตอนเป็นมนุษย์เป็นสามิภรยากันนะแต่ว่าบุญใครบุญเขา พไปด้านนี้พอละโลกภรรยาในชานั้นก็เลยมาเป็นภรรยาของหัวหน้าภูมิศิวสาสวิยาทรเขตส่วนพ่อก็ไปเป็นบริวาร น, นับถือมาเหมือนๆกันต้องไปเกิดที่เดียวกันแต่ว่าสักด์ต่างกันตอนเป็นมนุษย์เป็นสามีภรรยากันแต่ตอนนั้นได้แต่มองส่วนพ่อเป็นบริวารหัวหน้าเขตเดียวกันใช่คุณแม่หายเศร้าออจากการกินยาลูกกลอนแล้วออกในฝัน แต่พอตื่มาก็เห็นออกสีดำมากองอยู่ข้างเตียงที่พื้นพระบังเอิญพอดีออกจริงๆเพราะแม่หมดกรรมพอดีจึงฝันเห็นพระเตดงอายาลุกลอนมาให้โดยพระเตดงที่แม่ฝันเห็นนี้คือพระตั้งแต่สมัยน้นที่แม่เคย อ, อุปถาม์สมัยที่แม่เป็นมนุษย์มนุษย์ในตัวนู้นะชาตินู้นะ่ะ อุปถาบพระองค์นั้นและบุญก็เปลี่ยนมาเป็นบุญในตัวบุญนี้ทําให้หมดกรรมเนี่ยจึงทําให้ฝันและหายจากอาการดังกล่าวมีบุญที่ทํากับพระองค์นี้แต่ชาตินี้ไม่ได้เจอกันรับพระก็จังกรรไม่ได้มาเกิดเพราะตัวจริงท่านไม่ได้มาเข้าฝันแต่ฝันเกิดจากอานาจกรรมและบุญเก่าส่งผลจะทําให้ฝันและตื่นมาออกจริงๆแหละเพราะหมดกรรมพอดี แม่ต้องรักและทุกข์ใจจากน้องชายเพราะแม่กับน้องชายในดีก็จะเป็นพี่น้องกันนี่เห็นไหมชีวิตในสังสารวัตเดี๋ยวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีภรรยาแม่กับน้องชายในดีก็จะเป็นพี่น้องกันและแม่ก็รักน้องชายคนนี้มากประชาตินี้ก็ยังรักน้องชายมากเช่นเดียวกันจึงทุกข์มากรักมากกับทุกข์มากจะแก้ไขต้องเจ้าลูกและคุณแม่เจอกันเป็นกัลยาณมิตรที่น้องชายให้น้องชาย มันในทางที่ถูกต้องด้วยใจทีใสเ ย, ยืกเย็นเลือดอดทนบ่อยๆจ้ะตั้งจิตเป็นกรณีวี้เลเครับคณตามาสร้างกำไรโดยการฆ่าทุกแกเพื่อรักษาตัวลูกเพราะรักหลานหรือรักตัวลูกนั่นแหละอยากให้หลานหายจนเก็บเอาไปฝันเห็นเรื่องยาทุกแกแต่จริงๆแล้วไม่มีใครมาเข้าฝันเพราะความรักและห่วงใยนี่แหละจึงทาให้คณตาฝันเป็นตุเป็นตาก้นมา แล้วมาเตือนกันามาก็มาทําจริงๆซะด้วยพระคิดว่าเป็นเรื่องจริงฝันจริงคลินตาจริงต้องมาสร้างกรรมใหม่ดังกล่าวใช่ภูมิก็ฝันคลินตาบอกตัวยาตุกแกก็ไม่มีจริงดังนั้นเมื่อวิบากกรรมส่งผลในปัจจุบันยึงนั้นค่นตาหลังหักและตาบอดเช่นเดียวกับที่ทํากับตุกแกจะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อีกหลายชาติทีเดียวแต่บนที่อยากช่วยหลานให้หายก็มีบ้างแต่ก็ไม่มากนะัก เมื่อบุญสมผลก็จะมีญาติมาช่วยกุณตาคล้ายๆดังนี้เมื่อไงทำคล้ายๆอย่างเนี้แต่จะหายหรือไม่ก็แล้วแต่บุญบาปของกุณตาในชาตินั้นจ่ะกุณตาได้มาสร้างบุญก็บพรเรพดชพบคุณหลวงปู่และหมู่คณะโดยเป็นกองสเสบียงแต่เป้าหมายยังไม่ชัดเจนที่จะตามติดติดตามหมู่คณะแต่บางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันท่านตายแล้วก็ไปเป็นเทวดาฉันจะถวมาราชิกาสายคนทันฉั้นสูง ได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายส่งผลก่อนจะบุญนี้ส่งผลก่อนวิบากค่าตุกแก่ในรับบุญเทีทิพย์ไปให้แล้วก็ทําให้ท่านมีสภาพดีขึ้นทุกด้านนมขึ้นมีเครื่องประดับดีขึ้นมีรัศมีมีอาหารทิพย์ดีขึ้นอะไรต่างๆอันนี้เป็นต้นในรับบุญเทีทิพยไปให้แล้วก็ทําให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นท่านฝากบอกมาว่าท่านมีความสุขสบายดีและได้รับบุญเทวทิพยไปให้แล้ว ตอนนี้กำลังเพลิดเพลินกับที่พะยาะสมบัติเดินตรวจตายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ลูกเป็นพอลิโอผม ร, ร่วงและถ่ายไม่หยุดตั้งแต่เกิดเพราะหลายกรรมมารวมกันเช่นเคยแกล้งคนให้กินสลอดซึ่งเป็นยาถ่ายด้วยความขนองจึงทำให้ถ่ายไม่หยุดการาเคยผูกมัดขาสัตว์ด้วยโซ่เช่นล่ามขาหมาแมววัวควายบางครั้งก็กล่าม ที่ท้าขาดทาบริวารจึงทาให้เป็นบริโอเนี่ยขารีบกับวิบัติวจีการที่ไปล็อคนผมบางจนทำให้เขาอับอายขายหน้าเป็นต้นทำให้ผมร่วงในปัจจุบันเนี่ยมารวมส่งผลทั้งหมดเป็นบริโอผมร่วงและถ่ายไม่หยุดลูกต้องมากินยาทุกแกเพราะเคยมีความเชื่อพวกนี้ในอดีตบางชาติ เคยกินยาแปลกๆแบบนี้มาก่อนแล้วก็มีกินตามลาพังด้วยไปชวนหรือแนะนําคนอื่นให้กินด้วยใช่ไมันก็เป็นผังติดตัวมาพ อ, อถึงเวลาอีบาป ก, กรรมที่ส่งผลก็มาเจอกินแปลกๆ <c oughs> กินทุกแกๆๆแปลกๆนี้ บ, บ้างเหมือนกันแต่ว่ากรรมนี้เบาบางแล้วชาตินี้แม้ลูกกินยาแผนปัจจุบันหรือยาใดๆก็หายแต่ว่ามีกรรมกินยาแปบลบ <c oughs> แล้วก็เจอกระเดื่องไปกินด้วยนี่แหละมันเลยต้องมาเจอยาแปลกๆในชาตินี้แต่จริงๆแล้วอะไรก็ได้เพราะมีบุญในอดีตเคยปล่อยสัตว์ปล่อยป ล, ยปลาถ่ายชีวิตโคกระบือมาตัดปลรนวิปากกรรมนางกล่าวให้เบาบางใช่น้องชายลูกพี่ลูกน้องประสบอุติเหตุเป็นเจ้าชายนิทราพระในอดีตเคยแจ้งนักเลงไปทําร้ายคู่อริจนเขาตกนะ้ําแต่มีคนมาช่วยทันแล้วก็เป็นเจ้าชายนิทราเหมือนตัวเอง ชาตนี้จึงเจอบ้างบุญจาการสร้างพระก็จะทำให้ชาติต่อไปกรรมาบาังลงใครทำทุกบุญตอไปอีกล้าติฐานให้บุญนี้ไปจัดอรรนไมิบากคำนังกล่าวบ่อยๆจ้าดวงสว่าที่เกิดหน้าบ้านภายหลังลูกชายเกิดเกิดคืออากาสเทวาซึ่งเป็นญาติเก่าแน่ดีของลูกชายเขามาดูผู้มีบุญมาเกิดคือลูกชายลูกนั่นหลจ้ญาติกันนะ่ เป็นอากาศเทวาเพราะรู้ว่าลูกชายมาเกิดเนี่ยจะเกิดความรู้สึกสายบุญที่เคยเชื่อมโยงกับเป็นญากิกระต้นต้องมาดูนี่ญาติแล้วมาเกิดแล้วนี่นะจ๊ะเป็นดวงสว่างทีเเ่เห็นด้วยตาเนื้อนี่ใชเห็นด้วยตาเนื้อเสียงร้องหอยหวนก็เป็นเปรตญาตเก่าของลูกชาย มาขอส่วนบุญจ้ะอืมมาขอส่วนบุญเทวดามายินดีว่าเออเดีมาเคยสร้างบารมีแต่อีกญาติหนึ่งม า, มาขอส่วนบุญลูกชายได้เคยบวชมา ก, กมุขณะและมีบุญบวชตลอดชีวิตโดยพุทธนดอนที่แล้วได้เป็นคนบวชออกบวชสมพระราชาองค์ที่ออกบวชจนตลอดชีวิตมาบวชแล้วก็ทำหนา้าที่เผยแผ่เนี่ยก็ไม่ยืนต้านรับครูไา่ใหญ่นะ ต่อรับระดับโลกด้วย<อ>นี่ม่ไหถึงก็ก้มกราบที่เท้าเลยมีผลการปฏิบัติทําได้เขาถึงมาทำกายเอาตัวรอดกรับดุสิตบุรีได้เสร่ยลงมาสองรอบจ้ะนี่มาจากดุสิตบุรีทีเดียวนะเด็กบุญทางการจริงทําให้เขาเข้าวัดตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นเด็กฉลาดจ้ะนี่หนูน้อยเด็กฉลาดาชื่ออะไรเ อ, อ่ยท่านดิ คืออะไรนะลูกและสามีได้อยู่กันแบบเพื่อนเพราะเป็นสามีภรรยาคู่บุญบา ร, รมีกันมาและชาติติผ่านมาก็ทําอย่างเงี้ยคล้ายๆชาตเนี้ยถังนี้ติดตัวมาเนะี่ยคือจะเป็นคู่บุญคู่บา ร, รมีเป็นไกลมิตรกันนะจ๊ะเป็นแค่ทางผ่านของลูกที่สร้างบุญร่วมกันมาเกิดและก็หมดภารกิจ ก็มาเป็นเพื่อนกันอยู่กันแบบเพื่อนนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะจ๊ะถ้าลราตั้งใจสร้างบุญทบุญและปลนในบัิสามีประดุลเทวดาลูกก็มีเิษเป็นผู้ชายจ้ะนี่ประดุลเทวดาเนี่ยเขาทำกันยังไงนะต้องยิ้มแย้มนี่เยือกเย็นยืดยุนนี่ยืดยุนยินยอมอืม ยกยัง่งไม่กัดคอยอตบันยกย้างชมไปเรื่อยๆนี่ตื่นก่อนนอนที่หลังทำไมต้องตื่นก่อนนั้นที่หลังเพราะถ้าตื่นที่หลังผู้หญิงเวลาตื่นใหม่ๆนี่เขาว่าเนยเขาว่าเขาว่าจะทำให้พ่อบ้านอืม มองข้ามไปเพรา ะ, ะนั้นต้องตื่นก่อนนี่ไม่๊ะตื่นก่อนนีไ่ไจะได้อาบน้ำาั้งหน้ า, นาแต่งเนือ้อแต่งตัวเขียนคิ้วตาปากอันสังตื่นก่อนเพราะพระเอกตื่นมาอือื ม, อมเรามีบุญนะเด็กมีเทพธิดาอยู่ใกล้ๆอืมไม่ใช่ออืมอ ม, มาจากไหน การปฏิบัติสามีประดุดเทวดาวมีสิทธิเป็นผู้ชายจ้าลูกสามีแม่พ่อน้องชายก็เป็นกองเสบียงของหมู่คณะโดยมีตัวลูกและสามีติดตามสร้สางบารมีกับหมู่คณะมาต่อเนื่องส่วนพ่อแม่น้องชายบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไปเจอกันดังนั้นชานี้ก็ต้องตั้งใจ ส, สร้างบารมีกับหมู่คณะให้ตลอดจ้าตัวลูกและสามีก็ได้เห็นดวงใสใสาภายในกลางกายจ้าและกลับไป มาดูสิบรีทั้งทีมเลยทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกทีนี้พระอาจารย์เราลองสันนิษฐานทำไมดูดูลงไฟฟ้าอืมอืมสันนิษฐานนะจ๊ะพระอาจารย์ผู้ประสานงานโลกพุทธันดรที่ผ่านมาเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตบวชแล้วก็อยู่ในหน่วยคือช่วย อะไรแหะดูแลปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมเป็นช่างอะไรกันบวชนะออกบวชแล้วก็จะดูแลตรงนี้เหมือนเหมือนพอในปัจจุบันมันเทคโนโลยีไฮเทคก็อย่างเงี้ยมีผลการปฏิบัติธรรมได้กระทึงองค์พระใสใสพอตัวรอดกลับดูสิตบุรีและลงมาสองรอบได้ในพุทธนรกที่ผ่านมาก็เป็นพ ร, าาระอาจารย์เป็นการวิทยการตัวลูกอาจารทั้งครอบครัวนชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและที่ฐานจิตตามที่ไปดุสิตบุรี วงบนวิเศษแค่บรงมอโภคบริษัทจะได้พลัสกันเลยจ้านี่ก็เป็นเรื่องราวของแคสัดดีสั้นๆ ส, สำหรับคืนนี้